คนจะมีมากสักเพียงไหนก็ย่อนลงมาหารูกขันนามขันลูกขันนามขันเกิดขึ้นแลว้วก็แปรปวนแล้แตกสลายไปจะมีมากสักเพียงใดก็าตามในไตรลกธาตุย่อนลงมาเป็นสังขารเอกสังขารเกิดขึ้นแลว้วก็แปรปวนแล้วแตกจะลายสังขารแบ่งเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครอง กิขึ้นและก็แปรปรวนและแตกสลายไปสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังก็กายสังขารประจิสังขารจิตตะสังขารเท่านั้นเป็นผู้พูดเป็นผู้ฟังพระนิพพานไม่ได้มาพูดมาฟังมาเมฆมาคิดด้วย ทาไฟเกิดไฟดับก็เกิดก็ดับหาระหว่างไม่ได้ทฝไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับาาหาได้ว่างไม่ได้จงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงเถิดภระวโรศาสดาเรารู้สมมุติตามเป็นจริงของสมมตุติเรารู้วิมุตติตามเป็นจริงของวิมุตติแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองพระวโรมศาสดาเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขาร เรารู้วิสังขารตามเป็นจริงของวิสังขารแต่เราก็ไม่ติดอยู่ในเงานทั้งสองเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราก็ไม่ติดอยู่ในงานทั้งสามเรารู้ใจตามเป็นจริงของใจแต่เราไม่ติดอยู่ในใจเรารู้ผู้รู้ตามเป็นจริงของผู้รู้แต่เราไม่ติดอยู่ผู้รู้และใจเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีจึงข้ามเทหลงไปซะ เาพอมาศาสตราทำชั้นสูงทำชั้นสูงก็ศีลชั้นสูงก็สมาธิชั้นสูงก็ปัญญาชั้นสูงกลมกลืนกันอยู่ปัจจุบันของพระสุวันปัจจุบันสักกาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระราหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระปฏิปิปัจจุบันพระสมาสัพพะเจ้ากลมกมือนกัน ผูรู้พระโสดาบันผูรู้พระสกทาคามีผู้รู้พระอนาคามีผูรู้พระณาหันผูรู้พระปฏิกผูรู้พระสมาธรรมพุทธเจ้าในปัจจุบันจะเอามาทีสมัครกันไม่ได้เพราะมียานชัยุทธต่างกันใครเรียนนโมจบพระณาหันเรียนนโมจบนโมบางต้นคือมณโมพระโสดาบันนโมบางท้ายคือนโมพระณาหันนโมแปลว่าน้อมน้อมนอมน้อมจนไม่มาเกิดมาเก่บมาเก็บมาตายมาลุกมาโกดมาหลงเลย นโมโลกีคือนโมอะไรต่ำกว่าพระโสดาวันลงมานโมเลขนโมผานโมบัตนโมเบือถูกไว้ทำแต่ระ ว, วาดส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับท่านผู้สร้างบริดมีแก่กล้ามาแล้วกรรมฐานในตโรโลกธาตุมีสองกรรมฐานพิจารารูปเป็นอารมณ์เลือกรูปกรรมฐาน พิจนานามเป็นอารมณ์เรียก น, นามกรรมาฐานโรคกรณีนามก็รณีเกิดก็จะไปปวนและแตกสลายในมิตก็ตามจะเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นพระเอ็นพระกรมพระยมพระการจน์ตระกลกบาลทั้งสี่หรือเห็นดวงแก้วดวงก้าอะไรก็ตามเห็นแลวเกิดก็แล้วก็ดับไปนั่นคือสังขารถ้าตายคานั่นก็ไปเกิดพรหมโรกไม่ใช่ปัญญาภานใช่้ละไว้นึกขึ้นแล้วก็โพูดก็ลองไปแล้ว พูดแล้วก็ล่วงไปเป็นคำคำนี่คืออ น, นิจจังอันละเอียดใจหรือไม่อดีตคือได้คือ อ, อ, อ น, นิจจังคือตรลักษณ์อันละเอียดอันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือตรยรักษณ์เสื่อมไปมาถึงปัจจุบันคือตรลักษณ์ที่กําลังเป็นอยู่คําสอนในพระพุทธศาสนาะสอนให้เบื่อสอนให้หน่ายสอนให้หลุดสอนให้พ้นจากความหลงของตน นอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะหลงใจใจเท่านั้นจะปฏิบัติใจใจเท่านั้นจะรู้เท่าใจเป็นตอนๆไปใจใดไม่เอีงพิษจะเป็นเหตุทํานอกเขตก็ไม่ต้องได้หาใจนั่นแลนาะไม่ได้ท่องเที่ยวใจเดียวทาเดียวอยู่นอกเหตุหมดประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาข้ามโลกาไปไม่มีรอย ใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุก ค, คลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตานุปัสสนาธรรมที่เป็นกุญสนหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี่ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมมานุปัสสนาธรรมแต่และบุระบาตรองต่อก็จะผพานหมดมันขึ้นอยู่กับผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วทำโลกีมีไหมทำอ่านว่าทำ ทำโลกีไม่มีในไรทางพระพุทธศาสนาเลยมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นทําไมจึงมีโลกีและโลกุตระมาปลเปกันก็พระเอาคําสอนศาสดาอื่นมาปนเปศาสนาพุทธก็กลายเป็นยุ่งเหยิงกันไปคือเอาพ่อตากับลูกเขยมานั่งเตียงเดียวกัน ก็คือเอาพระสมานพระพุทธเจ้าไปชกมวยกันกับประเทศอื่นๆได้รู้จักชาดันรสักของตนใครแข่งดีก็พระสมานพระพุทธเจ้าพระสมาพระพุทธเจ้ามีผู้รบทรอดใจโลกทาตจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าตามเดิถ้าเราทําผิด ก็เป็นเมืองขึ้นของพระสมานุปัเจ้าถ้าเราทําถูกก็เป็นเมืองขึ้นของพระสมานุทธเจ้าพก็เห็นได้เพราะเหตุหว่าเอออันนั้นรัเทศแล้วพวกเธอไปทําผิดมันก็ได้รับผลตามส่วนคนฆ่าของเหตุอันนั้นมันถูกในชั้นนั้นเพราะอนุสาเสนปาฏิหารคําสอนไปอาศิจารณ์ปาฏิหารมีอยู่ทุกๆท่านทําดีก็ได้ดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ได้ชั่วอยู่ที่ใจประหยัดไฟก็รอนปาฏิหาร ก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มาเกิดแก่เก็บตายพระอรหันต์มีปฏิหารไหมมีปฏิหารไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกเลยพวกเรามีปฏิหารวนเวียนอยู่ในโลกเพราะยังบารมียังไม่เต็มทื่นถ้าพูดเต็มทื่นไปแล้วก็ข้ามทะเลหลงไปซัก <c oughs> นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะรู้ว่าเท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะหลงใจ ถ้าใจรู้เท่าใจตอนไหนตายใจก็ไม่หลงใจตอนนั้นและก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นอีกด้วยพูดเป็นเอกนิบาทยนะ้ยนลงมาหาใจถ้าพูดเป็นสองของกายกับใจถ้าพืดเป็นสาขอกายวายาใจพระสูตรก็คือสูตรของกายวายกาใจพระปรมาทิามัดเข้าที่กายวาจายใจพระววเนย์ก็พระเวเนย์กายวายาใจฉันทักพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว วิย์เพี้ยนมาประขอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้คิดต่อเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้มิบางสาบันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งนี้ต่อประสงค์เสื่งมเวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิยะเพียนในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึ้ชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานจะทำอะไตกลงศีลสมาธิปัญญาก็กลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันถ้าชินศีลสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงปัญญาเป็นนายหน้าของคำทุกหมวดปัญญาของพระสวสดบิบาลสักราคามีนาคามีอรหรันตตะเกตพระสมณะพระพุทธเจ้าจะเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้เพราะยิ่งยิ่งย่อนกว่ากันปัจจบัติเพื่อนทุกท่านทตาทุงสารปัญหาไม้มาก ถ้าปฏิบัติเพื่อราบเพื่อยศเพื่ออะไรต่ออะไรปัคขาก็มากทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะบารมียังอ่อนถ้าบารมีแก่กล้ามาแล้วเห็นภายในวัตรท้องศารอย่างเต็มที่แล้จิตก็น้อมไปเอน็นไปโอนไปในพระนิพพานใครก็ถูกหมดแต่มันอยู่ไม่อยู่ระดับเดียวกันผู้เรียนกอสรอาคาก็ถูกผู้เรียนกอสรอาขาก็ถูก พูดถึงตัวสกดการันต์ก็ถูกพูดถึงปริญญาก็ถูกเป็ถูกของใครขอมันใครอยู่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นพระหารท่านพ้นทุกข์แล้วท่านก็ยืนยันว่าเราไม่มีเกเรตนะถูกไหมใครปฏิบัติแบบไหนก็ถูกของท่านทุกๆคนแต่มันอยู่คนละชั้นเหตุนั้นถือว่ากรรมมกนาวัตติโลโกสัตโลกเป็นไปตามคำใครจะทำให้เสมอกันก็เสมอกันไม่ได้ แผ่นดินก็มีต่ำมีสูงต้นไม้ก็มีต่ำมีสูงเหมือนกันเขาคิดใจที่รู้ธรรมะทำตัวเดียวกันมีความหมายต่างกันเช่นนโมเป็นต้นนโมแปลว่านอบน้อมพระสวดาวันนอบน้อมจนไม่มีความหลงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นอบนอบไม่ใช่ได้อยากร้องละเมิดสีลห้านอบนอบไม่ใช่ได้อยากร้องระบายยมุกนอบนอมไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันนอบนอม ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหาค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรื่อสัตว์ที่ตัวข้าวเพเป็นอาหารค้าขายนำ้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวสดาบาลไม่เสียดายร่วงระเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงระเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่เสียดายร่วงระเมิดเพราะเหตุใด เพราะเหตุเห็นมันเป็นมิจฉาชิวิว่ามันจะเจริญมันจึงเสียดายร้องระเวนเช่นท้ำลายบื่อทิ้งแล้วก็ไม่เสียดายอยากเอาเข้ามาอีกเช่นลุมนทานเพลิงว่ไม่เสียดายอยากจะลงลุยเหตุนั้นจึงไม่หนักใจความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ายากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายตรงกันข้ามผู้ใด เลื่อมใสพระพุทธศาสนาผู้นั้นสร้างบารมีแ ก, ก่กรรมแล้วสัตวสีเท่าสองเท่าสัตเสือกสัตว์ครานสัตว์น้ำในอยู่ในน้ําดําในดินวินในอากาศโยนิสีชร า, าพระยะเกิดในคันอนันธชาติเกิดในไขสส่สังเสริฐชาชาเกิดในเท่าไหรออาา่อุปปาติปุโรดเกิดขึ้นก็จะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงจะสําเร็จพระอรหันต เพราะพระอรหันต์มีในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเพราะยังอ่อนอยู่ทําไมจึงเลื่อมใสมีผู้เลื่อมใสศาสนาพุทธน้อยนะก็พระบารมียังไม่แก่กล้าถ้าบารมีแก่กล้ามาแล้วก็ต้องมาเลื่อมใสพุธทธธรรมสงหมดเช่นพระโมคคัาสาธิบุตรก็มาจากสนชัยนาทตบุตรใช่ไหม มาเริ่มใช้ศาสนาพุทธเสียก่อนจึงสําเร็จพระโสดาบันสักตาคามีนาคามีอราหันต์เป็นลําดับไปเหตุนั่นจึงมีพระสมมาพระพุทธเจ้ามากกว่าอสงไขยอสงไขยอสงไขยมาเป็นยุกยุกยุกยุกๆก็มีคําสอนอันเดียวกันไม่เลากเลาะพระบกันเลยไม่เหมือนก้อนไม้ก้อนหัก้อนพะก้อนพวกของกาวโลกที่ตั้งขึ้นกูดึงไปมึงดึงมา พระมีกิเลสใครมีกิเลสมากก็ตีเข้าข้างตัวและพักของตัวมากใครมีกิเลสน้อยก็ตีเข้าพักของตัวและตัวมากตัวน้อยใครไม่มีกิเลสเลยก็ไม่ตีพระบรมศาสดาไม่มีกิเลสเลยบัญญัติอะไรก็ตายตัวพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ได้มาคัาดข้านกัน ถ้าเป็นโรคกระบาดุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะุ้มครองโรกได้ถ้าไม่มีละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วมันก็ไปรลวงและเมิดศีลห้าใช่หรือไม่ถ้าชาวโลคมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วสงครามมันก็ไม่มีใช่หรือไม่ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีข้อตวนก็ไม่ต้องมีกุณแจก็ไม่ต้องมีใช่หรือไม่เห็นกันอย่างสดสดเลยเขายของก็ไม่ต้องเฝ้าใช่ไหม เวนยามก็ไม่ต้องมีใช่ไหมนอนก็ไม่สะดุ้งหวาเพราะไม่มีเวีอยู่รอบข้าเหตุนั่นจึิงว่าเวนมัมณีเวรมณนีปาณาติปาตาเป็นข้ห้ามเวนมัมานีเว้นแล้วเวนอันนี้สิขาประทางสมาธิยามิเป็นสิขาบทหนึ่งสิ้นห้าถ้าไม่ร้องระเบิดก็มารวมเป็นเชื้อคาดเกียวอยู่ที่ดวงใจถ้าชาวโลกมีสิ้นห้าบริวูรณนับแต่รู้เรี๋ยวสาไป สงครามไม่มีเลยเวียนไทยก็ไม่มีทีนี้อันไหนที่พระพุทธศาสนาไม่สั่งสอนไม่มีเลยค่าขายก็สั่งสอนค่าขายเครื่องประหารค่าขายมารษ ฆ่าขายจะเป็นเรื่องนื้อสัตว์เทศตัวฆ่าเพืเป็นอาหารค่าขายยาเมาค่าขายยาพิษการค่าขายหอย่างนี้อุบาสกอุบาสิกาไม่เสียดายเรื่องละเมิดเลยสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามีอยู่5ประการคือประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมนิดเชื่อมงคลไม่แสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติธรรมการ ซึ่งตรงกันข้ามได้จากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามบ้างท่านก็บอกว่าพิกษุไม่ควรไปเอาโลกมาพูดไม่ควรเอาคารวะเอาการบ้านการเมืองมาพูดแต่เราก็เถียงว่าพิกษุสมาำเสไม่สอนคารวะจะไปสอนผีตัวไหนเรากูดแบ น, นี้ทีนี้หน้าที่ของคารวะจะทาแกพิสุ สามัญจะทําอยากไดบ้างหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบไปเมตตาสองด้วยวิจิกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบไปเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบไปเมตตาที่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อามิตสถาน น, นนั่นนห น, น้าที่ของค า, ารวะหน้าที่ของพระพิคือสามัญทีนี่ หนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามฮะอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แจม่ม 6. กบอกทางสวรให้นั่นนั่นนั่นพระสมานพรพุทธเจ้าเป็นผู้สอนพระองค์ไหนไหนก็มาสอนอันเดียวกันนั่นนั่นนั่นชาวโลก กด่ไม้โคตหมู่กดพักโคตรพวกขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดถ้าพระพุทธศาสนาะยังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาะ พ, พ, พินาศลงชาวมนุษย์จะอยู่ได้รือเราก็เหมือนเหมือนมอดม้วยสุดที่ตะกูลพุทธใครรานใครรุกร้าวพุทธธรรมสง ผลของกรรมจัดตามบันจงในทางลบอยู่ชั่วการนามเพราะพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วสไส้กฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งไม่อยู่อูของทาไม่นําคํำนึงก็หมดที่พึ่งพลิ่นเองอาศัยชาวไตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเื่นถูกไหมทํำไมเราจึงอาบนา้ําก็เพราะว่าร่างกายมันสกปร ก, ปกทําไมเราจึงปฏิบัติสินธรรม พระจิตใจมันก็กระปกใช่ไหมถ้ากรรมผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันใช่ไหมพูดที่ได้มาเนี่ยทางที่ไม่ชอบเขาไปรอดไม่เขาก็ไปไม่รอดเราก็ไปไม่รอดท่านผู้อื่นก็ไปไม่รอดเหมือนกันเห็นกับตาเลยผู้ที่ถือไมผ่ผู้ที่ถือไม่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย คุณครูว่าอาจารย์บาไม่มีวุ่นไม่มีเขาไปรอดหรือไม่เขาก็ไปไม่รอดพอรู้ตัวก็คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวมือมันยังดีมันยังเปียกควา้วาแดดคว้าลมมันไม่เปียกเสียเลยใช่ไหมสิ่งไหนเราบอกเรามาศาสตราไม่สอนันมีเลยมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติสอน เรียบรอยแล้วมนุษย์สมัติสัสมรันสมบัติพรมสมบัติเนพานสมบัติก็เป็นพัฒนาวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยซับในไตรโรกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำของพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเมืองขึ้นของปานิพาะรวมคิวกันอยู่ที่นั่นเลยในไตรโรกธาตุ สังห า, ารีวาซับกอริอสังห า, ารีวาซั์กอรีวิญญาณกะกะซั์กอริสักวิญญาณกะซับกอริเป็นเศษกระดาษของพระอระหันต์ทั้งหลายใช่หรือไม่พระท่านทั้งหลายไม่อะไรเพราะอยู่แต้อำนาจอานิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ข้ามทะเลหลงของตนไปสักข้ามก็ข้ามนี่ข้ามทะเลหลงก็หลงจิตหลงใจถ้าไม่หลงใจก็ไม่มีอันะจะหลงถ้ารู้รอบใจก็ข้ามทะเลใจไปเลย ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะชอบเลียงเลดูดดรู้ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกชอบดองกลิ่นทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นเพราะชอบรีมรสทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายเพราะต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบสัมผัส ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจเพราะชอบทรมารมนึกคิดบ่อยๆไม่อิ่มไม่เบื่อเลยส่วนพระหัต์ท่านพ้นไปแล้วกลายเป็นรศักข์ว่ากายใจเป็นรศัก์ว่าใจไม่ได้ยึดถืออะไรต่ออะไรในโลกทั้งปวงเลยเหตุนั้นวิญญาณปฏิสัทฑิโรอบโกรธหลงขององค์ท่านจึงไม่มีรู้ใจตามจริงของใจ พาชิตแต่ละวรรดาทสงต่อพระนิพพานผูสร้างบารมี้กข้ามาแล้วพระปรมาสนาพระพาหยะเททย์เก้าฟังรวยเออเรากำลังเบนทบาทอยู่ไม่สมฐาระไม่อย่างนั่นหรอกพระปรมาสนาไม่ได้ปารบเพื่อสั่งสอนพระองค์หรอกเก้าเข้าใจว่าพระองค์รู้จักเก้าแล้ว พอมองเห็นก็รู้จักเก้าแล้วแต่เก้าต้องการอยากจะฟังเทศบางทีพระองค์ล่มสิ้นลมปราณเดียวนี้ก็ได้บางทีกระผมล่มสิ้นลมปราณเดียวนี้ก็ได้เพราะชีวิตน้อยนักน้อยหนาพระองค์ในที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหาอวัยวะสั่งสอนพระองค์พอพระองค์มองรู้เก้าพรับเดียวพระองค์ก็คงจะรู้แล้ว เออถ้าอย่างนั้นก็ไปยากเป็นแต่สัก ค, กครญญร ว, กนนว ร, ร, าา ร, ววรู้เป็นแต่สักคาเห็นเนอครับพอแล้วศีลอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิกิตตสิกขาคือกิตตคือศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งรวมพลกันในวัจชบันพระมารณีแก่กล้ามาเนี่ยทำไมจึงว่าเป็นแต่สัารูปเป็นแต่สักคาเห็นเพราะไม่ยึดยึดยึดถือผู้รู้ว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นศักดิ์เป็นบุคคล มายึดถือว่าใจเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ข้ามทะเลลงไปซะกามุปาทานก็ข้ามไปทิฐุปาทานก็ข้ามไปสีะระพัตุปาทานก็เกินก็ข้ามไปแนละ้อัตตวาทุปาทานทก็เตะกรเจิงเลยนะความเห็นว่าตนตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีอะไรที่ใดท่านผู้นั้นข้ามทะเลลงไปแล้วพระพุทธศาสนาธรรมะชั้นสูงเอาละนะที่นี่นะ พวกท่านเป็นผู้อบรมสูงมาแล้วยะทาวาติวะหาปุราปิปุรินิากรังเามีวัตัวจินังเปยานังอุปการปติจิตังปุจิตังทุนังสุตุมางเิดะเมวะตมิจตุตะเพยปเรนตุสังขปายันโทภนาราโซยตามณีโทเราโซยตาตะเพยติวะวันะโซกัตุโ เประโยชน์เทวโรโคนัสนาตุมาเทพวัตนทรายโยสุขีธีกายโยโคเพราะอาอภิวาทนาสีริสานิจังมุฒาวจายโนจัตตารวธรรมวันติอายุวโน สุขังฟราไม่เดี๋ยวพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามันมีประมาณแล้วก็ทงมีอยู่ทุกการดรู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในที่นี้ก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระสมาของพตยเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโอยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเถออดีตเืออะไร สังขารที่เร่วงไปแล้วอนาคตคือสังขา ร, ท, ร, า ร, ขารที่ยังมา่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กาลังเป็นอยู่นั่นนั่นนั่นนั่นนผู้ทำํำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจผู้ทําบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจผู้ทําบาปก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจผู้ไม่มีเจียรติก็ไปบวกใจทํางไม่มีเจียรตก็ข้ามทะเลหลงไปซะ ข้ามใจได้ก็ข้ามทะเลหลงไม่ยึดถือใจเป็นตนตนเป็นใจไม่ยึดถือผูรุ่งเป็นตนตนเป็นพุรู่มาณ ท, ทิิก็ดับไปณที่นั่นเองอัตวาทุปาทานความเห็นว่าตนก็ดับไปณที่นั่นเองอวิชาตันหาอุปท า, านกำรรพบชาชรามนัตโสปวิเทวทุกตัวมณฑปอุปายาไม่ต้องเรียงแบบก็ได้เอาละทีนี้การชุดท่ายอันนี้พระองค์พระบรมาสาสีราก็เคารพทำว่าอย่างนั้นะ ร้องปู่มันร้องปู่มันหนังสือธรรมะหนังสือไทยหนังสือเล่าหนังสือจีนหนังสืออะไรก็ตามห้ามให้เอาทิ้งใส่กระโถนท่านบอกว่าหนังสือจะสําหรับการเริ่มคสอนพุทธศาสนาได้ไม่ควรเอาลงในกระโถนร้องปู่มันไม่พาเอาลงในกระโถนเลยถือหนังสืออยู่ในวัดร้องปู่มัน่นจะประทือยืน อย่างนี้ไม่ได้นะนี่เดินไปต้องทําอย่างนี้ลุเลยแต่พวกเราวางลงตามนี่หลวงปู่มันเคารับมากอ๋อเวลาถือหนังสืออยู่ในวัดท่านจะไปถือรากสะโพกอย่างนี้ไม่ได้นะี่ต้องถือขึ้นอย่างนี้ท่านบอกว่าคําสอนพระ อ, องค์เคารพทำทำบุญอย่างนั้น มือลายแล้ว่าวัดมือนีทุกคนมันไฟซักไงเนี่ย